4. อนุโมทนาวัตกะถาว่าด้วยวัดปฏิบัติในการอนุโมทนาสมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไม่กล่าวอนุโมทนาในโรงอาหารคนทั้งหลายตำหนิประนามโพลนทนาว่าฉะไหนพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรทั้งหลายจึงไม่กล่าวอนุโมทนาเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินคนทั้งหลายตำหนิประนามโพลนทนาครั้งนั้นแล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 ต่อมาสมาคมหนึ่งถวายสังฆพัฒ์ท่านพระสารีบุตรเป็นพระสังฆเ ถ, ถระภิกษุทั้งหลายคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้เถระกล่าวอนุโมทนาในโรงอาหารจึงปล่อยให้ท่านพระสารีบุตรอยู่รูปเดียวแล้วพากันจากไปลำดับนั้นท่านพระสารีบุตร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 อาหารมีมากจริงแต่ภิกษุทั้งหลายปล่อยฆ่าพระพุทธเจ้าไว้ผู้เดียวแล้วพากันกลับลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้พระเถรานุเถระสีถึงห้ารูปรออยู่ในโรงฉัน ต่อมาภิกษุรูปหนึ่งปวดอุจจาระอยู่ในโรงฉันกลั้นอุจจาระไว้จนสลบล้มลงภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีธุระเราอนุญาตให้บอกลาภิกษุผู้อยู่ถัดไปแล้วไปได้